ระบัญญัติ933ก็ภิกษณีเหล่าใดสองรูปนอนบนเตียงเดียวกันต้องอาบัติปาจิตตีเรื่องภิกษณีนอนร่วมกันสองรูปจบ